บทความเรื่องพระคุณแม่รวมบทคัสสรรโดยเศษดินสิ่งบรรยายโดยโจโฉ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 เช่นคนไทยจะเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดว่าแม่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า m เ t อร์หรือ mom ภาษาสันสกฤตจะเรียกว่ามานดาภาษาบาลีจะเรียกว่ามาตาคนจีนจะเรียกว่า m ม m a คนแคบจะเรียกว่ามาม i คนฝรั่งเศสจะเรียกว่ามามองคนญี่ปุ่นจะแปลกกว่าน่อยจะเรียกว่าโอ k a s ัง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 ลูกด่าแม่ลูกตีแม่ลูกกาลีลูกทรพีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรดพื้นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณ